สานหตุหลักที่ความเจ็บป่วยเนีย่ยมันก็จะมีอยู่ 5, ห้าหกสาเหตุหลักนะีอ่าเอาแต่ข้อข้อไปก่อนก็จะขยายใป็นความเครียดสองอาหารเป็นพิษแล้วไม่สมดุลอันที่สามนะไม่การบริหารหรือการบริหารไม่ถูกต้องอันที่สี่ที่ในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอันที่ห้ามีคนสัมผัสเครื่องย น, นเครื่องไฟฟ้าเครื่องยนต์พลังงานเกิด ค, ความสมดุล อันที่หกในการบริหารจัดการองค์ความรู้ในการแก้ปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครันี้ก็คือต้นเหตุที่ทําให้คนป่วยในยุคนี้มากมากนะครับเราลองมาลงดูรายละเอียดนะครับเพรอย่างน้อถ้าเรารูรายละเอียดนชัดขึ้นเราก็จะรู้กลไกว่าเวลาเราติด่อโรคอย่างถ้าเข้าใจทั้งหมดเนี่ ย, ยมันจะเขาเยย้าใจว่ามันจะไปขอกาะไรยังไงกาะเบาหวานเกาะฟันได้ยังไงกาะให้เรา หัวใจแย่ยังไงให้เราเป็นโรคนู่โรกนี้นะเจ็บปวดไม่สบายตรงนู้ดนี้อย่างไรนะถ้าเราถอนพิษมันได้ที่ต้นเหตุแล้วมันจะเกิดถอนอย่างไรถ้าเราก็จะได้ชัดขึ้นึ้อ่ามันมันโดยอารมณ์นะที่มันเป็นพิษไม่ว่าความเครียดต่างๆมันมีอะไรบ้างนะถ้าเป็นอรมที่เป็นพิษได้แก่ความเครียดะความเร่งรีบเร่งรักซึ่งร้อนนะครับความวิตกกังวละ ความไม่สงบไม่โล่งไม่สบายความไม่พอใจนะออกกำลคาญใครที่คนที่รําคาญนะนี่และนี่ะจะทำให้เป็นโลกความมุ่ง ร, ร้รยายอาฆาตปิยบาศความโลกโดดหลงยึดเกินเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ลกษณะอัเนี้นะครับจะเป็น อารมณ์ที่ใครมีก็จะทําให้เกิดโรคขึ้นกับกตัวเองโดยความไม่ผาสุกในใจก่อนเพื่อนเลยนะเกิดโรคทางใจก่อนพอเกิดโรคทาพวกนี้ปุ๊กเนี่ยแต่อารหลอเ น, นี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของอารมณ์ที่เป็นพิษใครก็ตามที่มีอารมณ์หลอนเนี้ยถ้นะาอนนนะเอาตรวจตัเวเองแ้วเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่นะใครมีมากเท่าไหร่ มันเป็นพิษในใจของเรามากเท่าไหร่มันจะส่งผลเรื่องร่างกายมากเท่านั้นเท่านั้นนะครับร่างกายเราก็จะแย่ตามเฮ้ยถ้าถ้าสมมติว่ามีอารมณ์แบบนี้นะครับถ้าการการแพทย์ในปัจจุบันนะเขาจะคพบว่ามันจะทําให้ร่างกายนั้นหลั่งสารที่เรียกว่าอะดรีนาลีนนะครับออกมาต่อบอกใจมากขึ้นเพราะสารนี้หลั่งออกมาจาต่อบอกใจมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันจะไปเร่งให้กล้ามเนื้อของเราให้เซลล์ของเรานั้นผลิตเนื้อเยื่ออย่างมากมายเลยนะครับ ้พลังงานอย่างมากมายเลยนะครับแล้วพลังงานที่มากเกินพอดีนั้นจะเขาทํำลายเซลล์แ้ะเยื่อของเราทุกส่วนนะครับตั้งกายเราก็จะเสื่อมนะครับอันนี้เป็นตัวที่น่ากลัวมากเป็นยาพิษที่เราสร้างขึ้นมาเองทํำลายตัวเองนะครับ เ, เมื่อเราสร้างขึ้นมาทำลายตัวเอ ง, งนี่เนี่ยนะมันจะเกิดอาการไม่สบายและทุกอาการสร า, า, าระข้อต่างเลยนะครับที่ไม่สบายจะเกิดขึ้นได้ เออเป็นในทุกๆลกเรื่องอย่างเช่นนะเรื่องอย่างเช่นคนที่เครียดมากมากนมีความเครียดบางคนเครียดมากมากเขาจะปวดหรวบางคนเครียดมากมากจะปวดท้องบางคนเครียดมากมากจะเจ็บหัวใจบางคนเครียดมากๆเหนื่อแต่เข้าเขาพลาดออบางคนเครียดมากๆาหมดแรงนะบางคนเครียดมากมาชักกระตุกอะไรเงี้ยนะเป็นชักกระตุก เอ๊ ก, ก็ในเมื่อเครียดเหมือนกันนะ่ะแล้วทําไมป่วยคนละที่ทําไมไม่ป่วยที่เดียวกันเหตุที่เขาป่วยกัคนละที่ก็เพราะว่าเมื่อร่างกายห ล, ลั่งแอนติบอดีออกมาแล้วผลิตความร้อนขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับการเผาทํำร้ายเซลล์ใน้เยื่อของเรานั้นจริงๆมันเผาทำร้ายทุกที่นั่นแหละแต่จุดใดที่อ่อนแอมันจะออกอาการก่อน จุดใดที่อ่อนแอของคนคนนั้นนะ่ะมันจะออกอาการก่อนเคลื่อนนะครับมันจึงไม่เหมือนกันนะเราเครียดอันเดียวกันนะ่ะทําไมมันป่นปวยคนละย่างล่ะเนี่ยๆม่คอนมันไมีไปแล้วคำเล่าชัดว่าโอ้โหสุดท้ายพอเราวิเคราะห์โรคทุกโรคมันเกิดจากเครียดนี่แหละเป็นองค์ประกอบอันนึงที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญก็เลยวกัอของเครียดนี่แหละนะครับ หรือโรคหัวเข่าเป็นเดก็เหมือนกันนะครับแม้เราจะรับพิษแต่ละเดือนเนี่ยอาการมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะบางค น, นก็เหมือนกันบางคนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจุดอ่อนแอของแต่ละคนไม่เหมือนกันใครอ่อนแอมากที่ตรงไหนมันก็เล่นงานเรามากทําร้เรามากที่ตรงนั้นแหละครับนิวเคือเรื่องของความเครียด น, นะครับ ตรงตรงกนข้ามนะถ้าคนที่อารมณ์ดีกล้าเดินเ บ, บิกบานจำไซด์มีความจิตใจที่มีความรู้สึกตัวเองนั้าสุกแต่ตัวเองผาเป็นเรื่องจริงๆลุงไม่อยากทําเราผมรู้อยู่จําใจจําใจมันมีองค์ประกอบความอยากที่จําใจั้องทำเพราะนั้น ท, ท่านท่านไม่ได้อยากทําแต่ท่านจําใจั้องทำครับแต่ท่านก็คงคงจะคิดออกว่าท่านจะท่าก็คิดเอาเองของท่านนั่นแหละว่าท่านจะหาวิธีเคลียม์ยังไงอันนี้ โอ้โหเล่นกระจุกเลยนะเนี่ยโยนไงโยนซโจรจดิกจุกเลยนะเนี่ยนะาก็จดมพราอย่างนี้ก็ตอไปอย่างนี้แหละนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลทั้งท่านแต่ให้ผมพอด้วยผมอไม่เอา้ยใครอยากมีวิบากก็ไปเลี้ยงสัตว์ใครไม่อยากมีวิบากก็อย่าไปเลี้ยงนครับมันมีวิบากมันมีมันไม่ใช่มีวิบากแค่นี้มันมีเรื่องอื่นฟอนแบบนี้อีกเยอะนะจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราเป็นเป็นคุณทำให้คนอ่อนแอนะคุณจะได้รับ ทุกอย่ตัวนี้แหละบางทีในชาติในชาติหนึ่งคุณไปเจอใครในชาติหนึ่งมีบาตมาันตามมาแล้วเขาก็ทําให้คุณอ่อนแอเนี่ยคุณจะเป็นยังไงใช่ไหมเกิดซวยขึ้นมาเนี่ยทําให้คุณอ่อนแอขึ้นมาเนี่ยนะเออเกิดวิบากตรงนี้มันชุดใดชุดหนึ่งมันบวกรบคุณหันไปพึ่งไปอีกชาตินึงนะโอ้ยมีคนทำให้เราอ่อนแอแบบเนี้ยนะเราคุ้นตัวเองไม่ได้เลยแล้วมันก็จมในความอ่อนแอไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงน่ากลัวนะคุ้นตัวเองไม่ได้น่ากลั ว, วนะอ่อนแอน่ากลัวเพราะงั้นก็ ก็เล่าสู่ฟังนแล้วก็คิดเอาเองพอดีเล่าเรื่องราวของเราเนี้ยให้อาจารย์ท่านหนึ่งฟังพอเราท่านฟังพวกท่านก็เออ ท, ท่านรู้สึกคลายใจนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ห่วงแมวตัว น, นั้นอีกแล้วแล้ท่านก็คลายใจแล้วร่างกายก็ดีขึ้นก็เลยเอามาเล่าสู่พวกเราฟังเรื่องเริ่องเจ้ากรรมนายเวรเพิ่งจะพูดสักสองครั้งมานีั้นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนี่ผมไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่แต่ ถึงเวลาก็คิดว่ามันจะเปิดเผยสัจจกรรมบางอย่างที่คัง น, นะครับคนจะได้ปฏิบัติชีวิตตัวไม่ถูกทําใจได้ถูกเข้าใจความจริงพราะเข้าใจความจริมจรงมันจะไม่ถูกแต่แล้วในใครที่ปฏิบัติดีไปเรื่อยๆหรือทาปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเรื่องเรื่องแก่กรรมในเวรนี้ชาติเราจะเห็นเรื่องเวรเรื่องกรรมชัดิโอเราทําดีดีช่วยเราทาชั่วชั่วทําร้ายเราให้ความเด่นด้วยกับเรามันจะเห็นชาตานะพอเห็นชาติเห็นชาติสุดท้ายเราจะเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเพราะว่าเราประจักษ์จริง ไม่ใช่เชื่อเพราะว่าเราเรางมงายให้ใครถูกอะไรมานะถูกอะไรมอมเมามาหรือว่าใคร หลอกเขามานะไม่ใช่เราจะเชื่อเพราะความจริงที่เรากระจัดเชื่อโอ้มันจริงเนี้ยเออทนี่กิดผลนี้ทนี่กิดผลนั้นนี่ทำนี่กิดผลนี้ทานี่เกิดคลนั้นนี่เราจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแ้วเราจะเชื่อเรื่องกรรมพอเขาเชื่อเรื่องกรรมมันกรรรายในชีวิตเพราะว่าคนเชื่อเรื่องกรรมนี่หนึ่งชั่วเขาจะไม่ทำเขาจะพยายามยชั่วสองก็จะพยายามทาในความดีเพราะเขารู้ว่ามันจะได้ประโยชน์จากความดีนะครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าเขารู้จักวิธีลดกิเลสได้มากตอนนั้นก็จะทำที่ใจให้คองใสเขาจะหล่านตอนนั้นเขาจะทำได้ เป็นบันไดในการบรรลุธรรมไม่งั้นไ ม, ไม่บรรลุธรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมนี้ไม่บรรลุธรรมบรรลุธรรมคือบรรลุความท้าสุขสูงสุดขชีวิตอันนี้ไม่ใช่อนะไรการเชื่อเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่สำานญเออรายการไปพูดเรื่องนี้เนาะขออภัยที่พุดเรื่องนี้หลายท่านอาจจะไม่อยากฟังแต่บลายท่านหลายท่านอาจจะอยากฟังก็ได้ในความสิ่ ง, งใหม่ ก็นี้เป็นก็ก็ทิที่ข่ที่เขาพูดครั้งแรกเืองนี้ข่ายพูไปพูดที่บังการั้างอยู่มันจะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเป็นแมงม้ายังไง <c oughs> ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดจากลับฟันไม่ได้เลยแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่เป็นคนที่ถิ่นแล้วนี่แม่ <c oughs> ไม่กล้าแต่ันเราไป่แงูธรรมะตาดก็ไม่ด้ออกออกอไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แลอาถ้าลุปจะมามก็ไม่ถามออดีแล้วดีแล้ ว, ลวมาติเลิกดีแล้วดีแล้วนะตอน<อ>ก็นมีคนไปถามเรื่องนี้แหละเรื่องเจ้ากรรมนายเวรก็จริงผมไม่ได้คิดผมพูดเรื่องนี้นะในข่าวสุขภาพแต่พอดีมีคนไปถามผมที่สำนักงสงานเราทุนก็เลิกครั้งนี้เองเขารู้สึกทุกข์ใจกับการที่เขาไปทำทำไม่ดีกับคนคนหนึ่งแล้วเข า, ขาคขาไคนนั้นไม่ยอมให้อภัยเขาเลยอะ ไม่ยอมไม่อภไยเขาเลยเขาได้ทยังไงเขาบอกนะเขาก็ทุกข์ใจอย่างนี้นะไปขอโทษก็ไม่ยอมไปอะไรก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเขาก็ทุกข์ใจอย่างงั้นอ่ะผมก็เลยเล่าสัจจะตัวนี้ให้ฟังพอเล่าเสร็จเขาเข้าใจเลยโอ้เข้าใจละเข้าใจละ พอเข้าใจอย่างนี้มันจะต้องช่วยอะไรใช่ไหมเราก็ทําความดีไปเท่านั้นเองเราไม่ไปทํำลายใครเราแต่ความดีไปแม้ทำความดีกับคนที่เขางอนกับเรานั้นทําดีได้แค่ไหนเราแค่ทแค่นั้นแหละ<ม>ทําเท่าที่เขาจะไม่อค่าประยชบัตรมากมายเกินไปแล้ว<ม>ทำความดีไม่ได้เราต้อไม่ทําเราก็ปล่อยเขาไปทำอีกปล่อยเขาแล้วก็เขาก็เป็นที่บัตรของเขากันจะกรรมในเรนะเ่อของเขาโอเคนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอารมณ์นะออธิบายเรื่องอารมณ์เลยอธิบายเรื่องงกรรมไปด้วยเลยนะพลังงานในจิตไปเรื่อย แบ่ว่าถ้าอารมณ์ได้มันทำให้ร่างกายเสียหายอารมณ์ดีก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอ อ, อันนั้นก็คือเรื่องราวของการ แล้วก็โยงไปที่ความเจ็บป่วยใช่ไหมความเจ็บป่วยที่เกิดจากความไม่สมดุลใหม่กับความไม่สมดุลเก่าหรือว่าวิบากเก่าวิบากเก่าก็ทํากุศลเพิ่มยุดหยุดคมชั่วซะหยุดเจ้ากำไรเวรซะแล้วทําความดีเพิ่มขึ้นไปเพิมขึ้นไปนั่นคือการการละลายตัวเก่านะครับจริงๆเขาจะละลายตัวใหม่ไปด้วยเละไอความไม่สมดุลใหม่ความไม่สมดุลใหม่เราก็จะทำความสมดุลคราวนี้เรามาดูถึงคนโงไปตรงไหนบ้างที่จะทําให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บได้ไหมแล้วก็อ้านี่รงไปในอารมณ์ที่เป็นพิษ อันนี้คืออันใหม่ละส่วนใหญ่คนจะทำอันใหม่ตรกเนี้ยอารมณ์เป็นพิษเหล่านี้เราจะจัดการอย่างไรวันหน้าจะลงม ล, ลึกไปเรื่อยเรนะื่อยให้ได้ถึงพลังงานในจิตเลยนะจัดการอย่างไรพวกเมื่อเราทําลายอารมณ์ที่เป็นพิษเหล่านี้ได้นะมันจะกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นประโยชน์ทันทีเลยพิดหมดเกิดความผาสุขพิดหมดทุกหมดเกิดความผาสุขพิดหมดเกิดความผาสุขนะทุกหมดเกิดความผาสุ ข, ข, สขแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังเรายังมีอารมณ์ทุกเหล่านี้อยู่นะ เราไม่วันได้ความผาสุขที่ยัง่งยืนหมันจะทุกข์อย่างทุกทั้งใจแต่แล้วพอทุกใจปุ๊บมันจะทุกข์ายแต่ถ้าหมดอารมณ์เหล่านี้นะมันจะสุขใจแต่แล้วกายก็จะสุขตามมันจะทําให้เกิดพลังงานรักษาโรคอย่างรวดเร็วเดี๋ยววันหลังจ ะ, จะพูดนะครับอันเนี้อ่นะอันนี้ให้เห็นภาพคุ้มค่าก่อนในเรื่องของอารมณ์นะครับอ้าไปดูต่อไปในเรื่องของอาหารนะครับอาหารนี่มีอะไรบ้างที่เป็นพิษในอาหารนะเนื่นะครับ เมื่อกี้ไปข้อที่สองแนะครับคนตรงไปหนึ่งตรงไปในส่นอารมณ์ที่เป็นพิษอันที่สองนะความไม่สมดุลใหม่อันนี้พูดถึงความไม่สมดุลใหม่นะที่เราทุกวันนี้นะครับถ้าเราตรงไปอารมณ์ที่เป็นพิษก็เป็นปัญหาเราไปตรงไปในอาหารที่เป็นพิษอ่าตรงไปในอาหารที่เป็นพิษอาหารที่เป็นพิษมีอะไรบ้างนะครับก็มีสารพิษสารเคมีในอาหารสารพิษสารเคมีในอาหารเนี่ยเอ่อ โอ้ยแม่แมี่เป็นีน่นะพูดผมเลเซ่นนิ่นึงแบบอนนี้นี่หนึ่งนะผมเนี่สมัยก่อนล่าสัดเก่งเนยผมยิงหัวแม่นแม่นนะนั่นหนึ่งจริงแล้วยิงสัตว์ดีเวลานจะให้นอกมันให้ได้ต้องยิงหัวนะเ <c oughs> ลาเกิดอะไรขึ้นรู้หมเวาผมเดินเข้า <c oughs> <c oughs> ที่พัดตัวก็ชนเรื่อบางทีเราว่ารวันงั้ยมันเรงต็ตี่ยตึงเลยอ ถ้าจะั่งรทัี่เลยนะมันรุ่มันรุ่งแล้วใครมาตีเราอะ่ะเจ้ากลเมียของเราคอมเลวของเราเลยตีเราเองเราะวังระวังอย่างงีตแล้วตึแล้วตึ้งเไม่ได้สติๆๆเอ<ร>๊ม่มเก็ระมัระวังไงไม่มีสติไง เราวางแต่ยิ่งไม่ระวังก็ยิ่งหนักถ้าถ้าระวังก็เบาหน่อยเพราะฉะนระวังยังโดนอ่ะถ้าคือถ้าระวังก็คือเราก็ไม่ประมาทใช่ไหมมันก็เบาหน่อยแต่ถ้าเราไม่ระวังเป็นไงเต็มที่ระทุ่มทุ่มตรงไหนที่ไม่ระวังอะเสร็จระทุ่มแต่ถ้าเราเราไม่ระวังก็โดนมันก็จะเบาหน่อยบางครั้งก็ไม่โดนไอ้ไนี่ก็เลยแวบไส่เล่าวิบากกรรมตัวเองให้ฟังก็เขาไม่ดีในเข็ดจริงๆเลยเข็ดขี้อ่อนี่แกงจริงเลยแต่วันนี้ยังรู้อ่ะบางวันก็ต้องโดน บังทีเนี่ยถึงเวลาก็จะดึงเรานะ่ยตืขึ้นมาทําให้เรารีบเพนั้นเป็นเรื่องง่ายกันตึงตึงเลยเดี๋วเท่าๆหัวนี่แหละตั้งเลยเขาไม่ดีของชีวิตเอาเอามาเอานำมาฟังกันนี้อันี้อาหารนะอาหารเป็นพิษสารพิษสารเคมีในอาหารสารพิษสารเคมีในอาหารเนี่ย นะครับก็จะไม่ว่าในพืชในสัตว์นะครับตอนนี้ก็จะมีสารพิษสารเคมีเยอะไม่ว่าในพืชในสัตว์เมื่อมีสารพิษสารเคมีที่เยอะที่มากเนี่ยมันก็เผาทํำลายเคยเห็นไหมเขาปลูกผักที่ใส่เคมีมากๆหรือคนเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เคมีมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ในตัวของคนที่ทําแบบเนี้มัมกจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมมันจะไม่ไหม้มมมดาๆเนี่ยสังเกตไหม เป็นตุ่มเป็นผือนเป็นคันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันจะไม่ไหม้ดำดำเพราะว่เคมีมันเข้ามันจะดับำนะจะไม่ไหม้ดำดำมันร้อนอะเวลามันเผาเนี่ยมันจะเกลี่ยไหม้ดำนะครับจะมีนะครับสารพิษสาเคมีมากๆเนี่จะเกลี่ยไหม้ดำนะมนันร้อนสารพิษสาเคมีเนี่ยนะถ้าเราทํำไรสารพิษได้เป็นสิ่งที่ดีใครหาผักไรสารพิษได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราหาผักผลไม้สาะพืชไรสารพิษไม่ได้เราจะทําอย่างไรนะถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยเราก็ ถ้าหาไม่ได้เนี่ยเราก็ถอนพิษที่ถอนพิษที่ได้ดีสองแบบนะครับเท่าที่ผมพบที่มีประสิทธิภาพสูงนะหนึ่งน้ำสาวข้าวไม่ว่าน้ําสาวข้าวเหนียวน้ําสาวข้าวเจ้านะครับเราเอา <c oughs> พืชผักพลไ ม, ม้ไม่ได้เป็นเฉพาะแต่แค่วนไปประมาณสิบ20ี่สิบนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วค่อยมาล้าง น, น้ํถ้าเราจะล้าง น, น้ำก็จบไปแล้วค่อยแช่ไว้ก็ได้นะครับล้าง น, น้ำํำเปล่าๆก่อนแล้วมาแช่ไว้ เสร็จแล้วพอใช้ก็มาล้างอีกทีนะครับตรงนี้ก็ลดพิษได้เยอะนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ลดพิษได้เยอะก็คือถ่านใช้ถ่านประมาณหนึ่งถึงห้าก้อนนะครับหนึ่งถึงห้าก้อนนโดยประมาณ น, นะก้อนหนึ่งก็ประมาณเท่าขนมปั้นเราก็ได้โดยประมาณ น, นะครับแช่งลงไปในน้ําแล้วก็เอาผื่นผัดผลไมห้หรือไม่เล่นอะเพื่อจะแช่นะครับอย่างน้อยสิบถึงยี่สิบนาทีนี่จะลดพิษได้เยอะเหมือนกั น, นลดพิษได้เยอะนะครับแล้วถ่านไม่ต้องเอาไปที้นะครับเอามาตากร่มหรือตากแบบไว้ก็ได้นะ สามารถเรียนกลับมาใช้ได้อีกประมาณยี่สิบครั้งยี่สิครั้งมัยนยังซับพิเตย์เยอะอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะถอนพิเตย์มากผมพบดคือสองวิธีนี่แหละที่ถอนพิเได้มากนะส่วนวิธีอื่นๆนั้นก็ลดพิเตได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ที่ตย์ลดได้เด่นๆก็คือสองอย่างนี้เพราะเด่นขนาดที่ว่าขนาดที่ในขณะที่เรายังหาอะไรถอนพิเตไม่ได้เนี่ยหลายคนที่เป็นมะเรง็งขนาดที่ว่าผู้ป่วยมะเร็งอาการดีขึ้นได้ หรือว่ามาเลย์ไปตรวจแล้วลดลงได้ทั้งที่ยังหาผักไร้สานพิษไม่ได้นะเพราะงั้นมันก็ยังยังผมได้ว่ายังใช้ได้นะครับอันนี้ยังใช้ได้โอเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะได้หลายหลายคนที่ยังปลูกผักไราสานพิษไม่ได้ก็จะได้ได้อาศัยตรงนี้ไปพยายาม เพื่อนัตว้เป็นหลักนะก็พยายามหาที่ที่เขาขายผักไรสารพิษอะไรต่างๆหรือถ้าเราสามารถปลูกได้เองก็ตั้งหลักตั้งลำนะในระหว่างที่เราซื้ออาหารตลาดถ้าใครมีที่ดินมีกระถางมีอะไรเราก็ปลูกพยายามปูกผักไรสารพิษนะครับเข้าไปมันจะได้มีพลังชีวิตนะครับ จะได้มีพลังชีวิตตอเขาบอกว่าอาหารที่ดีที่สุดก็คืออาหารอยู่สองประเด็นนั้นหนึ่งเด็ดใหม่ๆอ่ะนะอาหารที่ส ด, สดๆ ใ, ใหม่อนะครับอาหารที่ใหม่ะพืชผักผ ล, ลไม้ที่เอามาใหม่ๆมันจะมีวิตามินมีพลังงานมีประโยชน์สูงสุดแล้วที่สองนะครับห่างจากตัวเราภายในสามกิโลเมตรทางจากตัวเราภายในสามกิโลเมตรคือพืชผักผ ล, ลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับเราทางจากตัวเราภายในสามกิโลเมตรเพราะเขาจะปรับตัวเข้ากับบรรยากาศที่เราอยู่เขิเข้าไป ปนเนี่ยนะมันปรับตัวทันทีเลยยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งพลังชีวิตน้อยเท่านั้นยิ่งต่างประเทศเลยไปกินแอปเปิ้ลไปกินอะไรของต่างประเทศนู่นนะเขาปรับตัวกับเมืองหนาวอ่ะพอมาเป็นเมืองเราเนี่ยพลังชีวิตที่จะไม่ดีเท่านะครับไม่ดีเท่ากับตัวที่อยู่ในเมืองไทยนะเพราะนั้นเส่อผักผลไม้ที่อยู่ในเมืองไทยของเรามันก็จะดีกว่านะครับหรือว่าอยู่ใกล้ตัวที่สุดจะดีที่สุดเพนะราะถ้าใครปลูกใหม่ๆได้นะกินแล้วจะมีพลังชีวิตเด็ดมาใหม่ๆปลูกใกล้ๆตัวเราจะดีที่สุดนะครับ อันนี้สําคัญโอเคนะฮะอันนี้อย่างนั้นก็รู้ทีสารพิษอ้าวไปดูข้อต่อไปนะสารพิษารเครมีในอาหารอาหารมีเนื้อสัตว์มากเกินไปนะครับอันนี้อาหารมีเนื้อสัตว์มากเกินไปยุค น, นี้เนี่ยคนบริโภคเนื้อสัตว์เยอะนะครับเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเจ็บป่วยมากอันนี้เนี่ย วงการแพทย์หลา ย, ลายสาขาเริ่มจะวิจัยตรงกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณวงการแพทย์ทุกสาขานะตอนนี้เองเริ่มจะวิจัยตรงกันแล้วว่าถ้าเนื้อสัตว์มากเกินไปมันจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะตอนนี้สาขาแผนปัจจุบันนะครับอย่างองค์การระบาดโลกและกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ลดลงลดเนื้อเพิ่มผักนะครับเพาเขาอบ อ, อกว่าคนกินเนื้อมากเกินไปเริ่เป็นพิษเป็นภัยเขาก็ลดลงลดเนื้อเพิ่มผักนะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณองค์การในามโลกนะที่เราไปลงรถเนื้อเพว่มผักช่วยอีกแรงหนึ่ง น, นะครับในกรณีของเนื้อัตว์เนี่ยมันมีอะไรทำไมมันถึงเป็นปัญหานะเน้สัตว์นั้นมีไขมันมาก เมื่อเขามีไขมันมากเนี่ยไขมันที่มันมากเกินไปนะครับไขมันที่มันมากเกินไปนี่แหละไขมันในหนกรัมให้ความร้อนก้ากิโลแคลอรี่เมื่อไขมันที่มันมากเกินไปเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะให้ความร้อนขึ้นมากควมร้อนที่มากมันจะเผาทาลายเซลล์เราแล้ถ้ามันมากเกินไปจะทําลายเซลล์เรา มนเยยเฉพาเนื right> you itz, ้อสัต sí ว์ท yes, ี่มีน้ําม okay, um ันมากๆนะครับแล้วเขาก็มีกรดยูริกกรดแลคติกอะดีไลนต่างๆนะครับพวกนี้มันมันจะเป็นพิษต่อร่างกายนะพยายามลดเนื้อสัตว์ถ้าทีจะลดได้นะใครลดกระเทาะไหลก็เท่านั้นใครกินเจกินมังได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้ก็ลดเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีน้ำมันเยอะๆนะครับเราก็ทานน้อยๆเรื่ออาจจะทานปลานี่นะครับทานปลาแล้วก็ทานปลาก็พยายามทานเป็นต้มเป็นนึ่งนะครับมันจะได้ร้อนน้อยหน่อยถ้าเป็นปิ้งเป็นทอดเนี่ย อย่างทอดเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับถ้าหรือถ้าใครทําแล้ว่องเนพืชได้ทานพืชแทนเนื้อสัตว์ได้เลยก็ยิ่งดีนะครับแต่ก็เลยมีผู้ป่วยมะเร็งนะครับในเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรจะทานเนื้อสัตว์อไม่ควรจะทานเนื้อสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปูปลาหรือต่างนะกุ้งหอยปูปลา โบกคอยชันมากะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้อสัตว์ทุกชน่เป็นผู้เิอมาเบรนไม่ควรจะทานเพราะมันเสียงที่จะตายนะผู้เบดร์เบรนนะั้นเป็นโรคที่มีความร้อนมากจนถึงไฟพาดจะแตกตายแล้วนะครับถ้าพลาดพวกนี้นะ ไฟท่าแ ต, ตากตายแป๊บเดียวเลยนะครับเ อ, อ่อผมพบว่าผู้ป่วยมาเร็งที่ทานเนื้อสัตว์ทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีน้ํามันมากๆเนี่ยก็มากกว่าเก้าส้าปอร์เนตนะครับผู้คือตายนะครับกว่าเก้า้าเอร์เต์เี่ยตายนี่เฉพาะผู้ป่วยมาเร็งที่อยู่ในมือ น, นะครับถ้าไปทานเนื้อสัตว์จะเสียชีวิตเร็วแต่ถ้าทานปลาก็ยังมีกว่านะถ้าอดไม่ได้นะถ้าอดไม่ได้ยอยากกินเนื้อสัตว์อยู่ให้กินปลานะครับเพราะถ้ากินปลาก็มีโอกาสตายเกือบสิบเอร์เซ ก็ยังมีนะดีกว่าเ5าสิบหานตะแต่กันตาแกันตีสูงอยากินเลยนะแต่ถตมันอดได้จริงก็อย่าไปกินเนื้อตาเลยนะไลองกินลอกนะกินมังกินเจไปเลยนะถ้ากินมังกินเจนี่ก็ไม่ใช่าต้องกินจือย่างนี้รสลับอร่อยบ้างหรือบางวันบางวันก็ไปกินเจอร่อยนะกินมังอร่อยบางวันก็กินจงวันก็กินอร่อยวันก็กินล้างพกินจหน่อยสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ยังพอได้นะที่ยงทให้เราแข็งแรงอายุยืนได้นะครับก็มีโอกาสรอดหรือมีโอกาสยืดอายุไปได้ถึง นะรอดหรือว่ายืดตะยุกไปได้มากถึงแปดิเปอร์เซ็ตเลยนะครับถ้าเรามากินมันจริงเจ น, นะครับในคนไข้ที่อยู่ในมือผมนะครับงั้นเขาจะมีอัตราการรอดที่สูงอัตราการยืดตะยุกไปขี้มากนะแต่ถ้าอไปกินเนื้อสัตว์อืนอันนี้ไ ม, ม่รอดลําบากแต่ถ้าคนไข้อืน่นนะครับ คนไข้อื่นๆุณจะกินบ้างไม่กินบ้างช่างคุณเถอะกินบ้างไม่กินบ้างช่างคุณแล้วแต่คุณจะทําใไ้กั่ไหนนะเพราะว่ามันยังไม่ทําให้ตายทันทีอ่ะคนไข้คนอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ทําให้ตายทันทีอย่างมากมันแค่ทําให้ทรมานเราไปกินเนื้อสัตอย่างมากนก็ทรมานแต่มาเร็งนี่มันเอาตายเลยอย่าไปเสี่ยงมันเอาตายนะเพอเจอมาเยอะละ เจอไข้ที่เป็นมะเร็งเราไปทัดเนื้อสัตว์เยอะแล้วส่วนใหญ่ไม่นานนะตายส่วนใหญ่เนี่ยแต่ทรมานเนี่ก็เดินภายในหนึ่งถึงสองเดือนบางคนเนี่ยกินปุ๊บอีกสีวันตายคนอีกที่เป็นตายแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเกินสองเดือนโดย ค, ค่ารวมแต่ผูคนไข้ที่อยู่ในมือเรานะถ้าไปกินเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่พอมันเริ่มกับเริกไม่สบายปุ๊บหรือว่าพอรับราคาดีๆให้เราไปกินเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกินสองเดือนโดยโดยโดยที่เราเก็บข้อมูลจากผูคนไข้ที่ในมือเรานะครับก็จะเสียชีวิต ก็ไม่ไม่ค่อกินเนื้อสัตว์นะครับในกรณีคนไข้มาเ็งคนไข้อื่นๆๆก็ลดล่าไปถ้าที่ตัวเองจะทําได้ในแขนงเช่นนะครับที่คือประเด็นของเรื่องเนื้อสัตว์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องเ น, นื้นอสัตว์ประมาณนี้ก่อนนะครับพยายามลดเรื่องเนื้อสัตว์ลงไปอ๋อมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องเรื่องเนื้อสัตว์นิดนึงนะครับเนี่ยเราจะได้ชัดขึ้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักเตอร์อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่มัณดนนะครับตอนที่ผมไปประชุมเรื่องโรคไม่ติต่อเนี่ยเราจะผมรับผิดชอบงานโรคไม่ติดต ดารใช้มันโรคหัวใจอะไรพวกนี้ะคผมก็เราชอบงานนี้ของพยาบาลเนี่ยเขาก็ส่งไปประชุมบ่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่องเนี้นะครับพอเขาส่ไปประชุมเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่มาเล่าเรื่องของโรคต่างๆให้ฟังนะอาจารย์ก็มาเล่าท่านนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านเก็บการวิจัยเล่มหนึ่งท่นวันท่าเก็บการวิจัยอันนึงชิ้นนึ่งทำเรื่องพฤติกรรมการกินกันอยู่ของคนไทยท่านก็เลยพบว่าอ๋อคนที่คนเจ็บป่วยท่านว่าฟันทรงเปี้ยงไปเลยว่า ต้นเหตุของความเจ็บปวดของคนในยุคนี้นะครับที่มันมากขนาดนี้นะี่นะต้นเหตุขอความเจ็บปวดของคนในยุคนี้นั้นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการกินอยู่ที่ผิดพลาดมาอย่างน้อยสามสิบปีการกินอยู่ที่ผิดพลาดต่อเนื่องกันอย่างน้อยสามสิบปี ปิดพลาดอะไรครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเนื้อสัตว์การกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องเนื้อสัตว์นะถ้าท่านเป็นประเด็นของเนื้อสัตว์ท่านก็บว่าคนสมัยก่อนที่เจ็บป่วยน้อยเนี่ยเขาจะกินเนื้อสัตว์น้อยนะครับอาหารในกับข้าวของคนสมัยโบราณนั้นจะมีเนื้อสัตว์อยู่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็ตประมาณห้าปอร์ซ็จะมีอยู่บ้างบางอย่างก็ไม่มีเลยบางอย่างก็จะมีคนอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตะครับที่เหลือมันจะเป็นพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่ในคนสมัยก่อนสามสิบปีก่อน คนจะแข็งแรงถ้าอัตราส่วนของอาหารที่มีเนื้อสับน้อยอย่างนี้คนจะแข็งแรงแต่คราวนี้ในชุดยุงหลังมาคนก็กินเนื้อสับมากขึ้นกระดมกินเนื้อนองไข่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ย นะครับจริงแล้วมันมีบางคนท่นั้นเองนะที่ที่ขาดอาหารอบางบางอย่างแล้วน้อยก็เลยเราลงกินแล้วลงไข่นะครับก็กินโปรตีนอะไรเข้าไปแต่พอกินเข้าไปแล้วมันอร่อยนก็เลยกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตินอ่ะเพาอร่อยอ่ะนะพอาะอร่อยก็เลยกินมากขึ้นปจนวันนี้เนี่ยคนไข้ล้นบ้านล้นเมืองเนี่ยเป็นเพราะอะไรคนเจ็บป่วยล้นบ้านล้นเมืองเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับเป็นเพราะว่าอ เรื่องของอาหารนี่เป็นหลักกันหนึ่งสําคัญมากในกระหว่างนั้นนะทุกวันนี้เนี่ที่คนไข้ลดนา้าลดเมืองเพราะว่ากับข้าวเนี่ยมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในกับข้าวนะครับแล้วจะมีผักโขลอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็ตอนนี้มันกลับหัวกันทุกวันนี้จะมีผักโขลอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็ต แล้วเวลากินแล้วก็เขียยออกด้วยเขียยพังออกอีกไปห้ามเป็นที่ถ่ายเขี่ยออกเลยเวลากินเนื้บเขียยพังออก่กันเนื้อเชี่ยังออกกินเนื้อนี่คือข่าวรวมที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยทำให้ความเจ็บป่วยล้นบ้านล้นเมืองทันงั้พูดถึงประเด็นนี้หมดเสร็จแล้วนี่อีกไม่เกินสามสิบปีนะครับเนี่ยนี่พัฒนามาแค่สามสิบปีการพัฒนาของโรคของโรคสามสิบปีล้นบ้านล้นเมืองเปนโรงาบานแล้วโรงพยาบาลแบกแล้วไม่ไหว คราวนี้จากวันนี้ไปไม่ถึงสามสิบปีหรอกนะครับเขาก็บอกว่าจากวันนี้ไปเนี่ยไม่ถึงสามสิบปีสักประมาณสิบปีเนี่ยอัตราความเจ็บป่วยจะเท่ากันเดียว ก, กันสะสมสามสิบปีที่ผ่านมา ทำไมถึงใช้เวลาแค่สิบปีรู้ไหมครับคือปริมาณความเจ็บปวดมันจะเท่ากันนะตอนนี้ป่วยเท่าไหร่อีกสิบปีจะเท่ากันกับที่ป่วยอยตอนนี้แหละก็คือมันจะปวกเข้าไปอีกเท่าตัวนึงอีกสิบปีข้างหน้าจะต้องตายนะค่อยดูต่ายจะต้องตายแล้วค่อยดูนะอ่ออีกสิบปีข้างหน้าเลยนะครับโอ้โหโรคไฟขั้เจ็บจะระบาดแรงหนักเลยนะครับจนเยกว่าทุกวันนี้ก็แบบทั้งไม่ไหวอีกแล้วนะแล้วอีกเข้าตัวหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไร อผมมันจมดินเลยนะเขาเป็นไปยาแบกเราผมต้องจมดินเลยนะอีกสิบปีนะเจ้าหน้าที่จะตายเป็นเบือ่อนับประกันเลยเจ้าหน้าที่ฐานสุขตายเป็นเบือ่อคุณคอยดูเถะแล้วชาวบ้านจะตายเป็นเบื่อเลยนะครับคอยดูอหาจะละบาดคอยดูไม่ต้องนะครผมยากรผมไม่รงไม่รู้นะท่นคอยดูกันแล้วกันนะ ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยตายกันเป็นเบือ่อเลยนะครับคอยลงอีกสิกติกหน้าเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มจากผิดพลาดที่มากแล้วผิดพลาดมากยิ่งขึ้นฟังมาดีนะครับเริ่มจากผิดพลาดที่มากหนักแล้วตอนเนี้แล้วท่านจะไม่แก้กันเราจะผิดพลาดมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะอย่งเมืองล ง, ล ง, ลงหลายๆคนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเรากินเนื้อลงไถมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, น, ม, า น, ม, านมากขึ้นก็ไมรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ถึงสิบปีนะครับประมาณไม่ถึงสามสิบปีประมาณสิบปีจะจ ะ, จะมีอัตราการเจ็บป่วยขนาดนี้ซึ่งแปกนะครับแปลกมากเลยว่าเอา่อ สองสามประเด็นนั่นองซึ่งเรื่น่าน่าแต่ก็คือว่าถ้าใครไม่เชื่อแลนะลองดูก็ได้นะใครไม่เชื่อหคุณลองดูวันต่อวันก็ได้คุณลองดูวันต่อวันก็ได้นะว่าคนแขงลดลงไหมไม่ว่าในโรงพยาบาลหรือว่ายาเรา แนวหรือว่าขายในชุมชนในหมู่บ้านนล้นะยุ่ิธรรมจะเห็นคนไข้ปวดมากขึ้นเข้าใจไหมคนนั้นปวดคนนี้ปวดคนนี้ปวดคนนี้ปวดคนนี้ไม่ปวยก็ปวปวยปวดปวยๆวดมันจะเริ่มขยายความเจ็บป่วยมากขึ้นมากขึ้นซึ่งตรงกับคําตัดของพระเจ้านะครับว่าเวลาเข้ากริยุกเสียโลคภัยไข้เจ็บจะระบาดตอนนี้มันเข้าคือยุกแั้นะโรกภัยไข้เจ็บจะระบาดนะครับกึ่งพุทธกาล เวลาเข้าคือยุคไทยที่บาดสามอย่างเยอะร้ายมันจะมานะครับจริงๆแล้วในบานกำราที่พระเจ้ตัดมันจะมีสี่อย่างด้วยนะครับอ้าไล่ไปเสีย่าก็แล้วแต่จบแล้วมันก็จบได้วสามอย่างหนักๆนะครับที่พระเจ้ตัดไว้เนี่ยมันทุกครัง้งจุดจุดสุดท้ายจริงๆล้วก็จะมีแค่สามอย่างถ้าเป็นจุดสุดท้ายนะแต่ในระหว่างที่เป็ น, นมันจะมีละหลายอย่างแต่แตเด็นมากๆสามอย่างนะครับเนึงน่งโรคไัยไข้เจ็บระบาดสองความกดอยากยากแค้น นะครับจะมาเ<ย> um. ข้าย่างมาแพงอันที่สามการทะเลาะเบาแหวงสงครามจะมามีถามเรื่องเท่านั้นแหละที่เด่นๆ ใ, ในกรีซนะครับมันจะเด่นมากๆไปยามเรื่องนี้จะเด่นมากเลยแล้วถ้าจะเด่นอีกันึงที่เด่นชัดๆก็จะเป็นเรื่องของอ่าภัยพิบัติธรรมชาติภัยพิบัติธรรมชาติจะมาด้วยนะอ่าถึงตอนนี้ใีโลกใครให้เก็บมาย่างมาแล้วเข้ายางมาแพงมายังมาแล้วหัวใจแข็งก็มาก็แล้วนะอ่าการทะเลาะเบาแหวงสงครารมาย่งมาแล้วนะ กริยุคมายันปริยุคมาแล้วปรียุคมาแล้วการียุกบางคนก็เรียกว่าการียุกบางคนก็เรียกปรียุกแต่ละแตกนะใครสะกดไปยังไงยังไงมาแล้วนะมันจะเอาแล้วนะมันจะไฟประไลกันมันจะมาไหมโลกเลยนะไม่ใช่จะมามันมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะตัดว่าคนจะรอดคือคนมีบุญท่านตัดได้ว่าคนจะรอดคือคนมีบุญแล้วคนมีบุญท่านตัดได้ว่าสามล้มโพสีนั้นมีไม่มากท่านตัดได้รึยังไงมีเท่ากับเขาของโคไม่เท่ากับคนของโคเขาโคมีกี่เขา สองเขาขนโคมีเท่าไรนับไปบเป็นตัวเลยนะคพื่อนเขาเขามีแค่สองนีง่มั้ยขนเต็มตัวเลยเนาะโอ้นับทั้งวันนี่นับหลงเลยนะนับนับไม่ท่วงนะนมันเยอะมากเลยแล้วคนที่เจอทางรอดอน้อยไม่ต้องห่วงเราเข้าปียุคเนี่ยคนมีบุญเขาจะพบทางปฏิบัติให้ตัวเองขนทุกให้ตัวเองปลอดภัยนะครับจะเป็นอย่างนั้นมีไม่มากนครับท่มันมาแล้วไราพยายามเก็บจะระบาดแล้วแต่ผมก็คิดเลยเออสิบปีจะทําไง ยังไม่ออกนะสิปีทำงางไงผมก็ยังไม่ออกเท่าไหร่ครับทำยังไงก็ทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วคงไม่กออกนะสักวันนึไม่กออกเลยทำไมที่จะทันทาไจะทันทีนนะ่ทยมีคนเสนอเสนออยู่เหมือนกันหมอเขียวหมอจะทำนี่ไม่ทันหรอกนะอบรมระดีแค่ละร้อยสองร้อยนะปีหนึ่งก็ได้แค่สอง0ันเพราะว่าอบรมเรดละพัมันจะไปทันในงายนะอ่าสิปีได้แค่สองหม่ วยมันต้นรู้กี่ล้านอชก่แสนกี่ล้านมันอัตราเทียบกันไม่ได้เลยแต่เนี่ยก็มีคนช่วยคิดอยู่มองเวมอต่อไปที่ะทำแบบโอินกาเลทแแบบกรารวอินกานะอัดเทพไว้อัดซีดีไว้ดีๆแล้วทำตัดต่อดีๆแล้วก็ให้เขาพยายามทำที่ที่บ้านของตัวเองหรือที่สุมขอตัวเองนะแต่และที่แต่และที่ก็ทำไปคืออาจจะมีคนแทนมากสุด ทำอาหารสุขภาพอะไรต่างแบบนี้นะขขคุกถอดคิปแบบนี้นเสร็จแล้วก็ไปพาเพื่อนทอํามาเปิดซีดีเอานั่งท้องนอนฟับงก็ได้นอนตองก็อย่างเงี้ยนะมีนะมีมีหูหนึ่งเอาไปทําอย่างแกนอโศกไงนะเขาเปิดซีดีผมเอาเลยนะ อ้าวพอพอถึงตอนเช้ามาเขก็พาโยคะอะไรต่างๆ น, น, นะส่วนมาเล่ยพาโยคะอะไรก็ว่างกันไปพาทของข้าวาก็พาทแต่พอถึงบรรยายเขาก็ไม่บรรยายนะเปิดชีวีคนฟังกนหลับฟังตืนฟัง <c oughs> นอนฟังอะไรฟังนะห้าวันที่เขาทำแนละเขาลองทำดูหลาย่นทีเดียนะ เคยปฏิหาริก็เหมือนกันนะขนาดหลับฟังไนงะดีขึ้นเลยนอนหลับฟังเบบนี้เลยนะเบาหวานลดความันลดลงดันลกที่ลดลงเออใช้ได้ไหมผมมันเออลักษณะนี้ใช้ได้ใช่ได้ผมฟังกันนะ ม, มันอาจจะเป็นอันนึงเป็นเป็นเขาเขาอันนึ่งนะกำลังคิดถึงว่าเป็นเขาอันหนึ่งที่อะลรที่จะเอาไปขยายได้ เ, เาออเป็นจริงเนาะเป็นจริงนะอาจจะเป็นจริงนะ ใช่ใชผมไปบรรยายไม่ไหวหรอกันแต่ละชีวิเลย่มันไปไม่ไหวเรา ไ, ไ, ได้แค่นี้แค่นี้แหละเขาเลยว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวิธีช่วยว่ายกทีมถ่ายมืออาชีพมาสักหน่อยนะ <S <S ถ่ายพักทุ่นนึ่งนะเอาแบบเจ๋งๆหน่อยเขาว่างกันนะแล้วก็ทำไปแค่ไปน้ครไทย ว้าก็ตัวใหญ่ก็ตัวใไปดีกัน่ดีไมไ่หญ่咯คตาถใหญ่สุดใยไม่ไหวไม่ไหว้ยอ๋อทำ า, า <c oughs> ัวใหสุใช่ก็อาจจะไปได้ในอนาคตในอนาคตอาจจะมีถาวใหสุดานการสุขภาพอะไรก็ว่าไป น, น, น, นะเออไม่แน่ไม่แน่นะเออเนาะ ไม่แน่ไม่แน่นะนะอาจจะมีรายการถาอสนเรื่องสุขภาพนะตอบคำถามคาถามสดอะไรเงี้ยเนาะเออจะไปได้ฝันพุ่งไปก่อนนะพ <c oughs> ุ่งไปก่อนพุด้วยก่อน <c oughs> แต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะฝันๆันไว้นี่นะ พ, นพุ่งเนี่ยมใ่พุ่งลอยๆบางทีมันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะ บางวันเราอาจจะหนึ่งว่าถ่ายทอดสดอะไรก็แล้วแต่เอาตอนนี้เอาถ่ายทอดแท่งไปก่อนแล้วกันเอาไปก่อนถ้าเกิดอย่างนี้คือรถปฏิบัติผมก็ว่าทันนะสิปีนี่ก็ทันคิดว่าพัฒนาทีมหรือว่าใครที่มีใจกุศลอยากจะช่วยเพื่อนบ้านอะไรต่างเลยนะคือใครที่มีบุญอ่ะใครไม่มีบุญก็แล้วไปใครไม่พร้อมเราก็ไม่ช่วยเขาแต่คนที่ยังมีบุญแล้วอยากใช้วิธีนาดนี้ใช่ไหมเราก็ชวนเข้ามาทําแล้วก็ทำก็แคก้เล็กๆไปอ่ะเราก็ไม่อธิบายแล้วรมากเราสอนมาทำเอาแบบบอกปุงนี้ทํานี้กินนี้นั่นแล้วก็รัอาจารือจ ถ้าใครทาแล้วเขาร่างกายไป่ดีขึ้นหรือว่า่าเขาอยากจะมาฝึกเพิ่มเติมที่ศูนย์ใหญ่ใช่ไหมไอ้แกมาเจอบรรยากาศจริงก็ก็ค่อยทยอยมาหลไงค่อยทยอยมาทยอยมานเพราะว่าจะเป็นไปได้นะโอกาสที่น่าจะช่วยคนได้ก็คงจะมีช่องเดียวนี่แหละนะคิดว่าอย่างเงี้ยหรือนั่นแหละเพราะว่าออกตัวท่านก็ไม่ไหวออกตัวท่านก็ไม่ไหวถ้ามาเติมนี่ได้ก็ดีเพราะคงจะทันมาในสิบปีนี้คิดว่าน่าจะทัน เอาละนะครับมามามาข้อต่อไปก็แล้วกันมาข้อต่อไปนะโอเคนะอันนี้ก็คือเรื่องของการบริสุทธิ์เนสัตว์มากเกินไปแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มันจะอีกสิบปีที่สุดหนักเนีนะ่สุดหนักแน่นะใครจะเป็นโอกาสบาเพ็ญบุญใครจะรีบบาเพ็ญบุ ญ, บบญก็รีบทำให้ตัวเองหายนะเรารีบความบาเพ็ญบุญช่วยกันนะใครจะมาช่วยตรงนี้ได้ก็มานะไม่ว่ากันนะถ้าทํางานศูนบาทได้มาเลยที่นี่รับไม่อั้นนะ ล้านตำแหน่งล้านตำแหน่งมากก่านก็ได้นะเอทุกคน0ูบานหมดขอคุนสมบัติแค่สองเรื่องนั้นหนึ่งเป็นคนดีสอง ส่วนตัดเป็นคนดีสินะถ้ามาอยู่ข้างในนะต้องมาอยู่ข้างในนีดหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์น้ำช้อนไม่มีใบยมุกหรือเป็นห้าไปอย่างน้อยนะล่าใบยมุกไม่มีใบยมุกใ่รล่าบยมุกแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แค่พ่อแค่พอไปอยู่ข้างในนะออกไปข้างนอกช่างคุณอข้างนอกคุณจะกินไม่กินไม่เป็นไรแต่อยู่ข้างในก็ไม่ทานเนื้อสัตว์กันไปอย่างเงี้นะก็ได้นะ คนละสมบัติที่สี่นะทำงานฟรีนะใครได้สี่คนละสมบัตินี้มาได้เลยนะว่าสอบยากยาล้วนีคนลสมบัติโอ้ยากนะคนลสมบัติเนี่ยหลับนะใครอยากมาช่วยกันตรงนี้ก็มาใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะใครมาไม่ได้ทําที่บ้านแล้วก็เกื้อกูลคนข้างเคียงที่บ้านก็เกื้อกูลนข้างเคียงที่บ้านนะครับอย่างเงี้ยจะดีเดี๋ยวกี้คุยกับรายกัรคนคนๆเลยยมาถามมาเลยต่างนะว่าก็คุยแล้วไม่อยู่ว่าก็ว่ ผมผมก็เคยว่าคุณออกไม่ได้หรอกนะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามขอว่าผมบอกว่าปลายปีหน้าไงเขาก็บอกว่าโอ้มันปลายปีนี้ไม่ได้หรือเขาว่าผมออกไม่ได้เราปลายปีนี้ผมก็ตายพอดีติดป่านจำป่านเดินดินออกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมูแชงอยู่กี่เดือนไม่รอะไรเงี้ยนะก็เลยเคยกันไปคุยกันมาเขาบอกจะทํำยังไงจะหาวิธีช่วยหรือยังไงแต่เขารู้ว่าถ้าออกไม่คนจะมาเยอะแน่ปังบังแหงนั้ะเวลาออกพวกนี้นะ แค่ออกเรื่องการขันสมมติเขาเล่าให้ฟังนะแค่เรื่องการขันเรื่องเดียวจะรับโทรศัพท์หรเป็นเดือนไม่ต้องทำอะไรเลยนะ <c oughs> โอ้โหแล้วผมก็ทํา <c oughs> ไงก็ยามคิดอยู่สงสารคนก็สงสารแต่ว่าเรี่ยวแรงก็ไม่มีจะช่วยคือมันมันมีแค่แค่แรงมีไม่ไไรู้จะทํายังไงแต่ช่วยคิดหน่อยนะนายอย่ไปไม่ช่วยผูคิดหน่อยว่าผมจะทําไง <c oughs> ถ้าออกรายการผมจะทํายังไงถึงจะรับมือได้อเนี่ยช่วยคิดหน่อ ย, อยผมว่าทาได้สองเรื่องอนะ ทำเป็นสอเรื่องผมว่าหนึ่งถ้ใครมาช่วยได้ก็มามาช่วยกันสองคนมาช่วยไม่ได้คนระเดี๋ยวเราเป็นเครือข่ายกันดีๆนะทําให้เครือข่ายเป็นกลุ่มดีแล้วอยู่ที่ไหนส่งข่าวด้วยกันส่งขานด้วยกันเฮ้ยเป็นไปได้ส่งขาวด้วยกันแล้วทำถัดต่อมีซีดีดๆนะส่งข่าวด้วยกันปุ๊บถ้าคนโทรมาว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมจังหวัดอะไรใช่ไหมเฮ้ยจังหวัดนี้มีคนนั้นมีกลุ่มนั้นไปทำตรง น, นั้นเลยใช่ไหม ยิงไปไปทำตรงนั้นโทรมาปบเฮ้ยจังหวัดนี้มีกลุ่มนี้ไปทำตรงนี้จังหวัดนี้มีกลุ่มนี้ไปทำตรงนี้ติดต่อกันติดต่อกันทั่วประเทศเลยร้นัแบบนี้ เออจะข้อาเนาะอผมมารอดไม่แบบไม่รอดเลยผมไอ้ผมเองมาที่นี่ที่เดียวไม่รอดแน่นตาอาย่าเขียนเลยผมไม่ไ้จะไปขุดรูไหนอยู่ไม่ได้เลยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฟิตหน่อยนะอาจารย์นยัน้วปดดีเลยอ้าวปวดีดีว่าได้เอาันนี้ึ้นดีแล้ก็ปวดดีเะฮะฮะฮะฮะฮดีดีดีดีอาจารย์าบอกต้องหาเงินต้องหาเงินให้เอียว เอเ อ, เ, อรเราเฮ้ยเูนตาเราไปางนิงนจ้างอะไรเราไหาจ้างสิาี่ก็เแต่เราคนาก็เออเสียบลินมอนใบเออคนสมัยก่อนคือไม่เห็นต้องถ้าทำเาอีสานนะแถวอีสานหรือคนไทยก็แล้วแต่แตเวลามีการงานงานบุญนี่เขาจะหิ้วช่วยหยิ้วข้าวไปหิ้วอะไรไป ล, ล้วมีก็หิ้วไปอะหิ้วน้าหิ้วข้าวหิ้วอะไรไปอย่างเง้ยงั้นๆๆไปรวมกันอะเขาไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะ อะไรภาษาอีสานเป็นตูดกินแต่บอกเป็นตูดกินเป็นตูดกินเพราะอย่างไรเป็นตกิน ตู้แล้วคือก้นไขไถไถไถ่ไปนะคืไปไปนั่งกินนะไปนั่งกินไล่มเจ้าผ้าแบบยุคยุคเงี้ยไม่ไหวเราไปถลมเจ้าผ้านะตอนให้ก่อนต้องมีน้ําใจนะถ้ามีน้ําใจเราจะถือช่วยไปถือข้าวไปมีอะไรก็เอาไปอ่ะไปรวมๆกันอ่ะนะถือว่าบางทีเอามันพอมีคุณมีรอนก็เอารอนไปช่วยกันอะไรเงี้ยเฮ้ผมว่ามันจะเกิดกองทุนสุภาพขึ้นทั่วประเทศนะเนี่ย ไม่แน่นะมันปีนี้เันอาจะเกิดปี7จ็ดเ่นะกอบุญของใครของใครไนงะก็มีกองบุญไปก็เอาทำเล่นกันเกิดกูุนกันใช่ไหมทําเล่นกันเกิดกูุนกันเกิดกูุนกันผมไมคิดเลยนะเรื่องอาหารนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพูด เ, เรื่องรถจัด อ, อะไรเออก่อนจะไปรถจัดอะไรนี่นะอ่าค่านี้เนี่ย เอมันคิดออกเป็นข้อใรนะข้อบนบนอะไไปอย่างนี้หน่อยนะก็กลุล้มใจก <c ười> ลุ้มใจอยู่สองเรื่องหนึ่งมันจะออกสำรทานแล้วไยมจะออกก็มันออกไปด้วยบางบางอันสองคนป่วยมาเยอะๆนะมก็คช่วยงานข้อบนอบนแล้วข้อผาหรือไปอย่างนั้นน่ะ <c oughs> โอ้ปกติมันต้องไปหารือนสุดท้ายเนี่ยแ่รุ่นนี้เป็นอะไรหารือกแวัน <c oughs> ที่เหตุการ์มานะเหตุการณ์มาก็เลยพูด อ, อะไรไปอย่างนี้นะครับ ผมก็คิดอยู่องเรื่องว่านี่ถ้าเกิดเกิดกลุ่มรวมรวมกลุ่มกันในแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละจังหวัดจังหวัดานะรวมกลุ่มเรื่องการสุบพันธุ์อย่างเงี้ยแล้วทำเล็กๆไปทําไปเรื่อยๆนี่แหละเปิดซีดีเอาอะไรเอาทำคล้ายๆโกเรง่าครับเปิดซีดีเอาราคาบันดีบักเอาทําที่ได้แล้วใครจะมาต่อยอดกันมาที่นี่นั่นประเด็นหนึ่งที่มันจะรอดแล้วเราก็ส่งเข่ามาถึงศูนย์ใหญ่ไว้เพราะว่าเวลานั้นอ่ะเวลาอะไรอ่ะเวลาเขาติดต่อมาเขาติดต่อมาที่ศูนย์ใหญ่อยู่แล้วอ่ะ ติดต่อมาที่ศูนใหญ่อยู่แล้วติดต่อมาที่โรงพยาบาลู่แล้วเราก็จะได้ให้ชื่อไว้ว่าที่นี่นะมีกลุ่มคนเหล่านี้เขาทากลุ่มคนนี้ันกลุ่มคนนี้ทำกลุ่มคนนี้ทําเราประสานกลุ่ ม, น, น, ม น, นี้แล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเกินแรงค่อยมาเกินแรงค่อยมาอย่างงี้นะครับมันก็จะดีใช่ไหมหรือใครต้องการต่อยอดค่อยมานะมันมันจะได้หมดนะ เออเออใช่ใช่มันจะเป็นศูนย์รักสุนภาพแนวเรษฐกิจพอเพียงกระจายไปทั่วประเทศไทยมันจะรอดตรง น, นี้มันจะรอดหรือผมยังคิดนะในกรุงเทพอย่างในกรุงเทพหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะผมคิดอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องของอาหารอาหารสุขภาพเนี่ยเพราะมันจะเป็นทานนอตจริงกินอาหารแบบนี้มันจะฟื้นเร็วนะครับคิดอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยยังฝั น, ฝ, นฝันอยู่ว่า ที่ตรงไหนนะเขาจะมีร้านอาหารสูนะสรตรเนี่ยนะสูตรล้างพิษอยงเงี้ยนะแต่ไม่ต้องทําสูตรนี้ทั้งหมดในร้านนะทํากับข้าวอร่อยด้วยแลทํากับข้าวร้างพิษด้วยคู่เป็นไปนะบางวันที่ต้องร้างพิษก็ล้างพีษใช่ไหมบางวันที่ต้องกินอร่อยก็กินอร่อยบางวันที่ต้องผสมกันก็ผสมกันใช่ไหมผมว่าจะเป็นทางลอดของเศรษฐกิจไทยนะเพราะอะไรเพราะคนป่วยอยู่แล้วใช่ไหมไปโรงพยาบาล กินยาเคมีแพ้แงๆแถมไม่หายปัญหากคนค้็เช็งเยอะอ่ะแต่พอมาอย่างงี้แล้วเขาหายเร็วอ่ะใช่ไหมคนเนี่ยถ้าเขาชัดนะ เขาชัดมีตัวอย่างมีอะไรเขาก็จะมากินมาอุดหนุนะะนะเแต่บางคนก็มารักษาชีวิตตัวเองอะ่ะเพราะบางคนเขาไม่มีเวลาทําไงใช่ไหมบางคนต้องทํางานอ่ะเขาไม่มีเวลาทําอาหารอะ่ะถ้าเกิดร้านอาหารสุขภาพขึ้นทั่วประเทศไทยผมคิดว่าซจะเป็นยังไงเออเปิดร้านเล็กๆของใครของใครไปทําอมากหรอกับข้าวก็ดูว่ามีขาประจำเท่าไหร่ก็ทําเท่ า, น, า น, น, น, นั้นเลยจะไปทำเกินนั่นจะเจ๊งนะขา ย, ไ ม, ย ไ, มออไม่อร่อยนะไม่อร่อยแล้วราอาหารอร่อยคู่ๆไปไปทํามากหรอก แล้วคนก็มากินมาอาศัยคนที่ไม่มีเวลาทําก็มากินมาอาศัยมันจะเกิดธุรกิจบุญขึ้นเไงเออมันเกิดธุรกิจบุญขึ้นเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันไปเลยเกิดการรู้จักกันขึ้นอะไรกันขึ้น เ, นเออคุณทําไปทาไปคุณแคเอาหนังสือไปวางบ้างเอาซีดีไปวางก็เอาไม้กวาดตาไปวางก็ไปวางไปรอดกันอใช่ไหมฮะ อ่าภายในนี่เขาไม่รู้ว่าร้านพิดได้ไม่มีปัญหาหรอกนี่แหละเรานี่จะเป็นตัวรู้เราจะเป็นตัวปฏิบัติเลยแค่ที่เราพากันหายโมีคนก็สะดุดนะทำไมถึงหายทำไมถึงหายทำไมถึงหายใช่ไหม เออว่างทไปเดิหายเด้หายแต่ก็เกิดด่านมันมีขึ้นอันนี้ฝากไว้เฉยนะครับผมก็พูดลอยลมฝากลมฝากฟ้าไว้นะว่าด่านไหนจะเกิดก่อนเพื่อนนะไม่แน่นะยิ่งถ้าเกิดที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะกรุงเทพนี่คนที่ไม่มีเราทนกับข่าวนะน่าสงสารแต่มีอันนี้ไว้ป้อกให้เขามีไฟรไปนเลยจริงจริงไปรวดเนเะอ้าวนะเอาละมามาข้อที่สามนะพูดเรื่องไหไรเป็นพิทั้งหมดแล้วใค่อยแล้วค่อยพักนะและ้วค่มาต่อจบอื่นอื่นนะครับอ อาหารรดจัดนะครับต่อไปน้ำพิษที่อยู่ในอาหารมันจะมีเป็นลําดับนะครข้อที่สามพิษชนิดนี้อาหารนันคือว่าอาหารรดจัดเกินไปนะครับอาหารรสจักเกินไปตุ้มไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยอาหารรสจักเกินไปนะ ає, ี่ก็เป umm ็นพิษนะะอาหารรสจัดเกินไปเนี่ยเอาประเด็อาหารรสจักเนี่ยอาหารรสจักม okay? <Yeah. S 1> ันเป็นพิษอย่างไรนะมันเป็นพิษอย่างไรเอ่อถ้าในวงการแพทย์ทุกแขนตอนนี้เขาพบแล้วว่าอาหารรสจักบางชนี้มันเป็นพิษนะครับ แล้วอย่างกรณีของอย่างแพทย์ในปัจจุบันนั้นก็พบดีนะว่าเขาพบพิสูจน์แล้วก็เก็บข้อมูลไปพิยารณ า, านะครับว่าถ้ า, าหานันรสจัดเนี่ยนะสมมุติว่าเอาอย่างเค็มจัดเนี่ยขเขาพบว่ามันเป็นพิจต่ออะไรมากที่สุดครับออกไตใช่ไ่าหวานจัดละ่ะเบาหวานใช่ไหมตับอ่อนใช่ไหมมีผลต่อตับอ่อนต่อเบาหวานมากนะเอามันจัดละ่ะ อุดตันตามเส้นเลือดตามที่ต่ตางๆใช่ไหมมันมากๆอุดตันตามสนต่ของร่างกายหรือทําให้ตับทํางานมากนะครับอันนี้คือมันจัดนะครับทําให้ตับทํางานมากนะอา่อาวอาะไรเห็ดจัดละ่ะทําลายที่ไหนครับเห็ดจัดก็เพาะอาหารลาไส้นะอันนี้เห็ดจัดนะอา่าวพอเห็ดจัดเสร็จเอาเปรี้ยวจัดละ่ะเปรี้ยวจัดคืกกัดฟันนะทำลายฟันนะแล้วก็ เราใครเคืองกระเพาะอาหารลาไส้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปรี้ยวมากๆทําลายกระดูกนะทำจัดมากๆอั น, นี้เปรี้ยวจัดฝาดจัดนะครับฝาดจัดนี่จะสําพันกับนิ้วนะสัมพันธ์กับการท้องผูกนะครับอันนี้คือฝาดจัดนะผงจัดล่ะ ผมจัดเนี่ยทำร้ายหัวใจเคยได้ยินไหมคนกินกาแฟขมๆแล้วมันบีบหัวใจเคยได้ยินไหมอ่ามันจะบีบหัวใจนะครับกินกาแฟขมๆแล้วมันบีบหัวใจนะอันเนี้อะผมจัดมันจะมีคาเ ฟ, ฟอีนมีอันคาลอยนะครับที่จะทำร้ายร่างกายนะอันนี้คือผมจัดนะครับเออมาันก็จะเนี่ยอาหารรสจัดทุกชนิดแัะะ่เขาจะทำร้ายร่างกายหมดเลยแล้วจริงๆมันไม่ใช่ทำร้ายที่เดียวนะครับไอที่เราพูดมาว่า เอ่อเปรียวหวานมันเก็บผมเผ็ดอะไรต่างๆทํา้ายตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคือจุดที่มันไปก่อนเพื่อนแล้วมันไปทำร้ายคือไปทำร้ายก่อนเพื่อนพอไปทำร้ายตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ทำร้ายที่อื่นต่อไปด้วยนะครับเสร็จแล้วอวียว่าน์อื่นก็จะเสียบตามกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปัญหาของรถจักรนะตอนนี้เขาพบความจริงแล้วว่ามันทํา้ายเราบรรลุกลไกให้มันลึกซึ้ง้าไปอีกนะครับว่าให้มันทำร้ายยังไงนะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าร่างกายจะไม่ต้องการลดอาหารนะครับร่างกายต้องการลดอาหารทุกรสแต่ว่านะครับต้องการทุกรสแต่ว่าเขาต้องการแค่พอดีไม่ใช่ว่าจะไม่ปรุงอะไรเลยปรุงแต่เขาต้องการแค่พอดีนะครับซึ่งจุดพอดีเนี่ยก็คือประมาณ30สิเปอร์ซต์ของที่เคยปรุงเท่านั้นเองครับไม่มากนะประมาณ30สิเปซเช่นทุกวันนี้ถ้าเขาปรุงรสอร่อยเท่าไหร่นะจะต้องลดความอร่อยลงมาเหลือสาสิบเปอร์นต์สมติอร่อยเต็มร้อยต้องลดลงมาเหลือสามสิบ ก็แปลว่าอะไรครับต้องลดความอร่อยลงมาหนึ่งเม็ดสามถ้าแปลว่างี้นะสมมติปรุงอะไรยเท่าไหร่นะสมมติเคยใส่พริกสามเม็ดต้องเหลือหนึ่งเม็ดเคยใส่เกลือสมช้อนต้องเหลือหนึ่งช้อนใครเนี้ยนะครับแปลว่าอย่างเนี้ยสามสิเอร์เ็นแปลว่าอย่างเนี้ยนะครับถ้าแ บ, บ่งเป็นสามส่วนแบ่งเครื่องปรุงออกไปสามส่วนที่เคยใส่ให้ตัดออกไปสองส่วนแล้วให้เหลือหนึ่งส่วนเอามาปรุงจึงจะเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดและขับพิษออกได้มากที่สุดหน้าตอนเนี้ยนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยรวมนะฮะ เม น, นะเน อ, อ, อ, อนมีคนมีคนถามว่าถ้าเราไปซื้อแกงล่ะแล้วมันเผ็ดนี่เติมน้ำเลยไหมทำได้สองเรื่องนะเราทำได้สองเรื่องหนึ่งเติมน้ำเข้าไปให้เจือจางแล้วก็เทน้ำมันทิ้งนะครับอันนี้ก็สามารถลดลดพิดได้นะ เนี่ย ม, มันมันต้องมีปฏิภาณอย่างนี้แหละพ่อของทีมทํากับข้าวไม่ได้ก็ต้องไปกินข้างนอกอะไรต่างๆนั่นห<ม>นึ่ก็เอาเทน้ําใส่แล้วเจอจางแล้ก็เทน้ําทิ้งอันนี้ก็พอลดพิษได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับ <S <S 1> <S 1> หรืออีกประเด็นนึงนะครับถ้าเราต้องไปกินอาหารร้จัดทั่วไปที่ครอบรุมงทั่วไปนะ <S <S นให้แบ่งกับข้าวเป็นสามส่วนเราเคยตัดเท่าไหร่นะเราเคยตัดเท่าไหร่นั้นคุณหารสามส่วนมันเป็นสามส่วนแล้วตัดเอาส่วนเดียวเช่นสมมติเราเคยตัด ไอ้ปุงกับข่าวนิดนี้สมตสมตินำพริกนี่เราเคยตักสามช้อนสมมุติน้ำเป็นน้ำพริกลาบอะไรก็แล้วแต่นะลาบหรือนำพริกก็แล้วแต่เราจะตักสามช้อนเราก็ตักช้อนเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาได้สองแบบนะแล้วก็ หยิบผักก็เยอะหยิบก็เยอะเล่ไม่ใช่หยิบใส่ถาดเฉยๆนะหยิบใส่ปากบางคนหยิบผักก็เยอะไม่เห็นแทงแรงเลยหมอก็หยิบหยิบใส่ถาดไว้แล้วก็ไม่กินะไม่ใช่เราหยิบข้าวปากินเกี้ยงกึนเพราเราพูดให้ชัดๆนะไม่งั้นบางคนเนี่ยแหมขอซื่อก็ซื้อนะหมอบอกให้หยิบผักก็หยิบผักแต่ไม่กินหรอกนะวางไว้ไ่ได้นะ กินผักให้มากขึ้นแล้วก็ลดปริมาณกับข้าวที่ลดจัดนั้นแบ่งเป็นสามส่วนรกินแล้วเราจะรู้สึกสบายนะครับแม้เขาปรุงลดจัดเราก็ไม่ตัดปริมาณเยอะอันนี้ก็พอก็แก้ได้นะพอรอดได้นะครับในบางคืนบังคราวนะนี่ก็คือวิธีเอาตัวรอดนะโอเคนะครับทนี้เนี่ยไอ้เจ็ดสิบอร์เซ็ในส่วนที่เกินมันจะทําร้ายร่างกายอย่างไรนะครับเจ็ดสิเปอร์ซ็นตที่เกินเนี่ยนะมันจะทำลายคือถ้าเราชัดตรงนี้แล้วว่าโอ๋อ คนที่เขาเก็บข้อมูลชาติไหเขาจะปรุงประมาณ 30% ของที่เคยปรุงมันจะไป็นารุงเลี้ยงร่างกายได้ดีที่สุดและขับพิษออกได้มากที่สุดคราวนี้เพราะฉะนั้นจุดและที่มันจะเกินความต้องการของร่างกายมันเป็นยังไงไอ70้ 70% ที่มันเกินเนี่ยมันจะทำเรื่องอยู่อ2เรื่องนะครับกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันย่อยไม่หมด ในไู้ป่วยเดนเยลไปหมดนะครับมัดูดซึมเข้าไปแต่มันยังเอาไปใช้ไม่ได้เพราะทีจริงมันเอาไปใช้แค่มันใช้นั้นแหละแต่ถ้ามันไม่สามารถสลายเป็นพลังงานได้หมดนะครับมันจะไปอุดตันตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าใช้ไม่หมดนะครับอุดตันเส้นเลือดอุดตันเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเป็นก้อนเป็นอะไรอุดตันไปตามที่ต่างๆของร่างกายทําให้เลือดลมไหลเวีไม่สะดวกกันคือประเด็นหนึ่ง เซลเราก็ตายเลือละมไหลเวีวเนไม่สะดวกเซลว่าเสือเส่อมก็ตายนะครับอีกประเด็นหนึงนะครับถ้ามันสลายเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับพลังงานทั้งหมดที่มันสลายนั้นจะระเบิดเนื้อเยื่อเราให้เสือ่อมจะระเบิดเซลเราให้เสือ่อมถ้าสลายเป็นพลังงานตามหลักการของอันเบิร์ตไอส์ไทร์นะครับทฤษฎีที่น่าจะอธิบายว่ารสจัดเป็นพิษ ต, ต่อร่างกายอย่างไรดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทฤษฎีของอั le, นเบิร์ตไอส์ไทร์อันเบิร์ตไอส์ไทร์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเขาพบอะไร เขาคนพบว่า เป็นทฤษฎีสัพพัตธาทฤษฎีของพลังงานนะครับที่คนพบทฤษฎีของพลังงานเนี่ยเขามอกว่าวัตถุทุกอย่างที่อยู่ในโลกไปเนี้ยนะครับถ้าเราเอามาแยกย่อยเรื่อยๆนะแยกทุกครั้งที่เกิดการแยกย่อยจะเกิดพลังงานขึ้นย่อยให้เล็กลงปุ๊บจะเกิดพลังงานขึ้นทันทีแยกให้เล็กลงปุ๊บจะเกิดพลังงานขึ้นทันทีแยกให้เล็กลงปุ๊บจะเกิดพลังงานขึ้นทันทีเลยนะครับทุกครั้งที่แยกก็ให้เล็กลงจะเกิดพลังงานขึ้นจนสุดท้ายเล็กที่สุดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะตอมเล็กที่สุดเลยเรียกว่าอะตอมในส่วน สุดนั้นจะปกกระกอบด้วยอิเล็กตอนอยู่วงรอบนอกนะครับ <Wow. S 1> มีนิวเคลียสมีโปรตอนอยู่ข้างในนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วเราพบว่าถ้าถ้าอิเล็กตอนมันชนกันเอง จนจนมันผิดรูปมันแตกมันจะสลายเป็นพลังงานทั้งหมดหรือถ้ามีพลังงานเข้าไปชนอิเล็กตรอนนะครับที่อยู่รอบนอกนั้นให้มันแตกให้มันผิดรูปกลมันจะแตกกลายเป็นพลังงานทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่เหลือตัวตนมันจะไม่เหลือตัวตนของอะไรเลยของวัตถุเลยนะครับกลายเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ทําให้เขาเอาไปประยุกต์เป็นนิวเคลียสนะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ rea, ที่ไปฆ่าคนนะแมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่แหละเป็นทฤษฎีของอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับที่เขาคนคน อาหารรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาเรากินเข้าไปนะอาหารรสจัดรสที่เราใช้ในการปรุงอาหารถามว่าเป็นวัตถุไหมครับเป็นวัตถุใช่ไหมเปรี้ยวเป็นวัตถุไหมหวานเป็นวัตถุไหมมันเป็นวัตถุไหม ไปเทนั้นเลยนะไอ้ที่มีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มเนี่ยมันก็เป็นวัตถุที่มีรสนั้นๆๆ้นัน้นใส่เข้าไปใช่ไหมครับเปรี้ยวหวานมัน m, เค็มแผ็ดอะไรต่างๆเนีน่ยนะเอาไปวัดโฉบปุ๊กกินเข้าไปถุงน้ำย่อย ย, อย่อยย่อยให้เล็กลงใช่ไหมน้า ย, ย่อยมีหน้าที่ย่อยให้เล็กลงเมื่อน้าย่ยอยมา ย, ย่ยอยให้เล็กล ง, ยยล ก, ลงก็คือพลังงานของน้ำย่อยนะครับมันวิ่งชนเข้ามาที่ที่วัตถุที่เราใส่เข้าไปย่อยให้เล็กลงปุ๊กก็จะกลายเป็นพลังงานทันทีนะครับย่อยให้เล็กลงกลายเป็นพลังงานทันทีเคยได้ยินัไหมสาหน้้้าาานนํยย่อห โอ้หน้าเล็ะเลยใช่ไหมนั่นแหละมันย่อยแบบนั้นแหละกดในร่างกายของเราหรือว่าด่างในร่างกายของเราก็คานองเดียวกันนะครับถ้ามีอาหารก็ไปปุ๊บเ้าหลังในปากของเราเลยเป็นด่างในกระเพาะป็นกดนี่นะเขาหลังมาปุ๊บวิ่งชนธาตุอาหารที่เรา ที่เราใส่เข้าไปนะ่นะคือเกินพอดีนั่นแหละนะรสต่างๆใส่เปรี้ยวเข้าไปใส่หวานเข้าไปมากไปใส่มันเข้าไปมากไปพวกนี้นะพอวิ่งพองพุกมันก็ย่อยย่อยพุกไให้มันเล็กลงเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานพอากลายเป็นพลังงานขึ้นพลังงานในส่วนที่พอดี30มสิเปอเซ็นจะไปเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรงนะครับตอนนี้ขับพลิปออกเลี้ยงเซลล์ให้สดชื่นแข็งแรงมีกําลังส่วนเจ็ดสิบอร์ซนที่เกินนั้นจะไปทําอะไรครับระเบิดเนื้อเยื่อเรา มันจะไปเผาเซล์เราทุกเซลลให้เสื่อมไปเผาอิเล็กตรอนให้ระเบิดผิดรูปตายผิดรูประเบิดตู้ไปผิดรูปผิดรูปแตกตายแตกตายแตกตายผิดรูปผิดรูปผิดรูปไปนะครับพอระเบิดตัวนึงได้นะมันจะกลายเป็นพลังงานความร้อนแล้วระเบิดตัวอื่นต่อระเบิดตัวอื่นต่อตัวไหนที่ระเบิดก็จะกลายเป็นความร้อนตัวไหนที่ระเบิดก็จะกลายเป็นความร้อนแล้วระเบิดตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าฟีลาดิค้อหรืออนุมูลอิสระที่วงการแพทย์แห่ปัจจุบันกลัวกันทักลัวกันหนากลัวอ <Glory. S 1> <Ừ S 2> ันนี้แหละ มันระเบิดไปเรื่อยๆจนเซลล์เราเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นเกิดอะไรกันไม่สบายได้สารพัดอาการแล้วรักษ า, าก็ไม่หายเพราะมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละคือปมการแท้กแต่ปัจจุบันกลัวกันนะครับคล้ายๆกับอย่างเงี้ยฮะคล้าๆๆยๆกับเรามีท่อนไม้รเรามีท่อนไม้แล้วเราก็จุดไฟเผานะครัท่อนไม้เราจุดไฟเผาปุ๊บไฟคือความร้อนใช่ไหมครับพลังร้อนยิงเข้าไปที่ท่อนไม้พอติดอันหนึงปุ๊บนะจุดติดปุ๊บ แต่มันก็ระเบิดเป็นความร้อนใช่ไหมพอระเบิเป็นความร้อนถามว่ามันไหมต่วอื่นต่อไหมคอมร้อนมันไหมตัวอ <ines> ื่นต่อเลยพอไหมตัวอื ines, ่นต่อปุ๊บ <Fal> ตัวอื่นก็แตกแตกปุ๊บโตุมตุ่มตุ่มกลายเป็นความร้อนขึ้นแตกตุ่มกลายเป็นความร้อนแตกตุ้มกลายเป็นความร้อนก็ไหมตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายไม้นี้เป็นท่อนจะเหลืออะไรขี้เถ้ามันเลิกกายเป็นขี้เถ้า เป็นอย่างนั้นแหละเซลล์ของเราก็เหมือนกันถ้าความร้อนมันเขามากๆมันจะแตกตายแตกตายแตกตายเม็ดเลือดจะแตกตายแตกตายแตกตายนะเม็ดเลือดแตกตายเซลล์ส่วนนั้นส่วนนี้แตกตายไปแตกตายไปแตกตายไปแค่นี้แหละอัตราการแตกตายที่มากนี่แหละนะครับมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ทําให้ ทำให้ร่างกายเราเสื่อมเราแย่นะครับมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราไม่สามารถอยุดยัง้งตรงนี้ได้นี่แหละอาหารรสจัดมันต้องเข้าไประเบิดในยเยื่อเราตรงนี้แหละนะครับเป็ น, นกลไกทางเยื่อศาสตร์ที่ทําให้เซลล์เสื่อมเร็วนะคนวิตต์ตายเร็เกิดโรคได้สารพัดจุดได้อ่อนแอก็เป็นโรคก่อนนะครับอันนี้แหละซึ่งหลักการของอันบัตต์สไตสามารถอธิบายคําตัดของพระเจ้าไว้ไว้ไวอันหนที่ชัดมากเลยนะครับเพื่อตะตัดไว้ว่าทุกอื่นยิ่งกว่ากรรมไม่มี อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเคยได้ยินไหมครับกามมีอะไรบ้างกามปรคุณห้าเคยได้ยินไหมมีอะไรบ้างรูปนอนกลิ่นเสียงสัมผัสนะอย่างในอาหารมีคนจะหลงอะไรมากที่สุดในอาหารส่วนใหญ่รถอาหารนะครับหลงกามในอาหารจะหลงรถอาหารนีม่มากเลยแล้วยุคนี้หลงกลงรถจัด ดูนะว่าทํําทาไมคนภายในสิปีที่เราพูดถึงเนี่ยสิบปีเราหนเีน่าเร็วมากเลยนะเพายในั้สิปีทำไมโรคภัยแทบเจ็บมันจะร ะ, ะบาดมากขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าขนาดคนทั่วไปนะครับที่ติดรสอาหารนี่นะขนาดคาบคุงที่ว่าปรุง ท, ทั่วไปเนี่ยเกินพิษมันเกินได้เจ็ดสิเนใช่ไหมที่เป็นพิษแต่ได้เจ็สิบเซนเวลาเขาเอามากินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินไปเลยแล้ปรุงเพิ่มเข้าไปอีกเขาปรุงเพิ่มเข้าไปอีกเลยอ่ะ แล้วมันจะเหลืออะไรนี่เราพูดแล้แลมันจะเหลืออะไรนับรอมเลยไฟ ป, ไปอะไรการลูกนี้แหละรถอาหารนี่แหละมันมันแฝงมาในนั่นในแฝงมาในสวรรค์ น, นรกมันแฝงมาในสวรรค์มันรวมมันแฝงมาในสุข ทุกมันแฝงมาในสุขคนติดรสอร่อยรสจัดนี่ก็ันเป็นสุขแต่มันมีทุกแฝงเข้ามาอานเงี้ยทุกอย่ายิ่งกว่าคามไม่มีคนนึกว่ากินอาหารรสจัดเป็นสุขนะคิดดูแล้วคนส่วนใหญ่เขาทียมปรุงกันเพิ่มปรุงกันเพิ่มเนี้ยขนาดไม่ปรุงเพิ่มนีม่เป็นโรคแล้วปรุงเพิ่มมันจะเป็นเรื่องอะไรยิ่งกว่โรคมันเรียกได้ว่าอะไรซุปเปอร์โรคนะเพราะฉะนั้นคนจะถูกนรกอะไรเนี่ยนกะวาดล้างในทะั้งเมืองเลยรอบเนี้ยห่า ไปอะไรกัรนั้นเนี่ยมันจะล้างคนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยถ้าใครไม่รู้เท่าทานแล้วมาฝุดกินอาหารจืดนะถ้าไม่มาฝุดกินอาหารรสจืดเนี่ยไม่รอดนะครับมันจะเผาคนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแต่จืดเกินไปมันก็ไม่ไหวนะจืดเกินไปไม่ปรุงอะไรเลยมันก็ขาดธาตอาหารนะเซลลก็เสียอเหมือนกันอันนี้ก็เสื่อมรถจักเกินไปมันก็เสื่อมเห็นไหมครับมันต้องทางกลางกลางกางอยู่ที่ไหนประมาณ3 0มของที่เกิดเกลือนี่คือกลางนะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของที่เกิดเกลือกันทั่วไปตรงรถความจ พระเจ้าจิตต์ได้ว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นท่านเอกสายเดียวที่า พ, พาคนรุ่งเนี่ยเป็นกลางอีกหนึ่งนั่นเนี่ยไม่จืดเกินไปจืดกนนี้ก็ไม่ไหวนะจัดคนนี้ก็แย่ yeah. อะไรเงี้ยมันจะมีจุดพอดีเข้ามาอยู่ที่มีพลังชีวิตสูงสุดนะครับแต่ถต้องรวมประมาณสาิเอร์เซ็นี่แหละจะช่วยให้แข็งแรงที่สุดนะครับเพราะเราต้องรู้นี่คือเหลี่ยมุมของมัชชิมาอีกหนึ่งที่เราจะาพาคนะครับก็จะได้ชัดนะว่าค่าจะเหลี่ยมจะอยู่ตรงนี้นะครับ เรมันก็ต้องเป็นกลางไงแต่เป็นกลางนี่โอ้โหกวจะมาหากลางได้นะเพราะส่วนใหญ่คาคนบอกเป็นกลางคือนั่นแหละนะงเกือบเกือบรอเอเ็นอะไรไม่ใช่ล้วกลางต้งลดลงมาเลยตรงนี้การในจุดที่แข็งแรงที่สุดการในตรงลอด์ัยการนตรงนทุกการจะต้องแข็งแรงน้ำต้องกลางตรงนี้นไม่ใช่ไชกาตามใจใครตามใจใครนะการอยู่ในจุดคว้มจิ้งกับพลุกลามันต้องกาตรงนั้นมันเด้จะอยู่รอบฟอร์ตไัยถ้ารถจัดนี่ก็เป็นปัญหาหนักของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของคนในโลกพีร์เล นะครับเพราะเขาไม่รู้จักวิธีการหนึ่งเขาไม่รู้ว่าปรุงขนาดไหนมันจะถอนพิษได้หรือแข็งแรงที่สุดอันนั้นนะครับอันที่สองนะต่อให้รู้นะไม่มีเทคนิคในการกินเนื้อไม่รอดนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับ